อินทรียทุกนหยเก้าสิบนเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดปาระนอารามานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดาระนอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดาระนอนันตระปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดาระนสมานันตระปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดาระนสหชาตปัจจัย กับอินทรียปัจจ the ัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับอินทรีย์ปัจจัยมีสามาระนนิา닛ยะปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระ นอาเสวะนปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนกรมมปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนวิปากรปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจวาระนอาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระน้าชานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนมัคคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระ น, นสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอินทรี ย, ยปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระอินทรียมิสกขขะคัตนา595้านเหตุปจัจจัยกับปัจจัย3คือ อินทรียะอธิและอวิกตะมีเจ็ดวาระนอารามณปัจัยกับละมีเจ็ดวาระนาทิปติปัจใยกับละมีเจ็ดวาระนอนันตรปัจัยกับละมีเจ็ดวาระนสมาันตรัปัจัยกับละมีเจ็ดวาระนสหชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญาปัจัยกับละมีสามวาระ นิสสียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเนปนิสสยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนกกรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนชานัจ <jazz>. จ <AUDIO> ัย <gerade> กับละมีเ <boro> จ็ดวาระนัมขปัจจ <Project lux> ัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจ <c oughs> ัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัติปัจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจกับปัจจัย่คืออินทรียนิสยา อธิและอวิคตะมีเจดวาระนอารามณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสมาันตระปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระ นาปนิสยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจดวาระนปัจฉาตาปัจจัยกับละมีเจดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยห้า คืออินทริยนิสัยวิปยุตตาอติและวิขตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนสมณะตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระนาปัจฉาชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาศิวะนปัจจัยกับละมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนาชานปัจจัยกับละมีสามวาระ นามัคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตาปัจจัยกับละมีสามวาระประกินนกคัตนา596ร้เหนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทริยนิสยปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นาอารามนาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมาันตรัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นปัตชาตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ โนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกขตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตาสามัญญคตตาห้าร้อเนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออินเตริยสหชาตะนิสิยะอธิและอวิกขะตามี7วาระน า, ารามณปัจจัยกับละมีเจดวาระนอธิปติปัจจัยกับละมีเจดวาระ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 นกกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระน้าชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับละมีเจดวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นวิกตะปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคืออินทรียสหชาตาอัญญมัญญนิสัยอัตถิและอวิกตะมีสามวาระหน้อารามานปัจจัยกับละมีสามวาระหน้าทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระน้สมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ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 มีสามวาระนมัคคุปัจกับละมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจัยกับละมีสามวาระนาหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็คืออินทรียะสหชาติอัญญมัญญะนิสียะ สัมปยุตตะอธิและอวิกตะมีสามวาระนอารามะนปัจจัยกับละมีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทริยสหัชชะนิสัยวิปยุตตาอติและอวิกตะมีสามวาระ นาอารามณปัจใจกับลามีสามวาระนาทิปติปัจใจกับลามีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับลามีสามวาระนาสมนันตรัปัจจัยกับลามีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับลามีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับลามีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับลามีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับลามีสามวาระ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 นวิกตรปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากาสีนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทริยสหชาตะนิสยวิปากาอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารามนาระนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัสสะมณันตะรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเนอปนิสตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปัจชาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปุเสวาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนักรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัชชานัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัธถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจใจกับปัจใจเจ็ดคือ อินทรียาสหชาะตาอัญญมัญญนิสัยวิปากะอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระน้อารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้าที่ปฏิปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสสมาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิตัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญนิสียวิปากะสัมปยุตตะอัติและอวิคตตะมีหนึ่งวาระ นอารามะนปัจจ an an ัยกับละมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นกรรมปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระน้าชาณปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนมักขปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนวิปปิยตตาปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระโนวิกตาปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ด อินทรียสหัชชะนิสัยวิปากะวิปยตตาอธิและวิกตะมีหนึ่งวาระน้ารามะนัปปจัยกับละมีหนึ่งวาระน้าทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอนันตระปจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมานันตระปจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญาปจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นัตสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะสหัชชะตาัญญมัญญานิสียวิปากะวิปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระน่อารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ น้าที่ปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนานันตารัปจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมานานตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสติยะปจัยกับละมีหนึ่งวาระน้ปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวนาปจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 สมัครคตนาห้าร้นเหตุปัจจัยกับปัจจัยหคืออินทรียะสหชาตะนิสยามัคคอัตติและอวิกตะมีเจ็ดวาระณอารามณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละณอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนหล่าปนิสยาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละ น utta, ชชาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระนวะิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญนิสียะมัคคะอัตติและอวิกตมีสามวาระละ นัตสัมปเยตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตทุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินตริยสหชาตะอัญญมัญญนิสยามคขะสัมปเยตตาอัตถิและอวิกตะมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละ มีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียสหชาตะนิตยยะมัคควิปยุตตาอัติและวิกตะมีสามวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียะสหาชาตาะ นิสัยวิปากะมัคคะอติและวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยสหาชาตะอัญญมัญญ า, น, านิสัยวิปากะมัคคอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ในเหตุปัจจัยกับปัจใจเก้าคืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะมัคคะสัมปยุตตาอธิและอวิกตตมีหนึ่งวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดคืออินทรียสหชาตะนิตยาวิปากะมัคคะวิปยุตตะ อธิและอวิคตตมีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยสหจิตตอัญญามัญญานิสียวิปากะมคะวิปยุตตาอัธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ในมุงเร็บสวีปากะห้สัจชาณคตนา599ในเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินตริยสหาชาตะนิจยะชาณัติอธิอวิคและอวิคตะมีเจ็ดวาระละนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนะอุปนิจยะปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนะสัมปยุตตปัจัยกับละ มีสามวาะระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาเฮตุ ป, ปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทริยสหชาตะอัญญามัญญา น, านติตยชาณะอติและวิกตตามีสามวาระละนตสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นวีปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินตริยสหชาติอัญญมัญญนิสัยชานะสัมพยุตตาอัตติและวิกัตมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระ ใ น, าานเหตปจจุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทริยสหชาตะนิสยาชาณวิปยุตตาอัติและวิกตะมีสาวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีสมวาระในมือเล็บอวิปากสีในเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทริยสหชาตะนิสยาวิปากชาณอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละ นวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาร ะ, ะนเหตุปจัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียสหชาติอัญญมัญญนิสัยวิปากะชานะอธิและวิกตะมีหนึ่งวาระละนวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียสหาชาตาิอัญญมัญญนิสยัยวิปากะ ชานะสัมปยุตตะอธิและวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยสหชาตะนิสยาวิปากะชานะวิปยุตตะอธิและวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาวิปากะชานะวิปยุตตาอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สัชนานมัคคัตนาหกร้ นเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทริยสหชาตะนิสยาชานะมัคคะอติและอวิคตามีเจดวาระละนอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีสามวาระนปนิตยปัจจัยกับละมีเจดวาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนัยวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ นโนนัตติปัจจัยกับละมีเจดวาระนโนวิกะตะปัจจัยกับละมีเจดวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญานิจญาชานะมะะัคคะอัตติและวิกะตะมีสามวาระละนปนิจญาปัจจัยกับละมีสามวาระละ นัตสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนะึ่งวาระนวิปยุตตะ uta, ปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยสหชาตาอัญญมัญญานิสยาชานะมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิก ay, ตตะมีสามวาระละ นวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยสหชาตะนิสยาชานะมัคคะวิปยุตตาอตติและอวิกตะมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ4ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยสหชาตะ นิสยวิปากาชานะมัคคะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียสหชาติอัญญมัญญนิสัยวิปากาชานะมัคคะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 วิปยุตตาอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย10บคืออินทริยสหชาติอัญญมัญญานิสยาวิปากะชานะมขะวิปยุตตาอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละ มีหวาระในมุเลศสวิปากะหาสาหารคั ต, ตนาหกรในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินตริยสหชาตะนิสยาอาหารอัตติและอวิคตะมีเจดวาระละณนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระเนาปนิสยาปัจจัยกับละมีเจดวาระละ นัตสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทริยสหชาตะอริยมัญญะนิตยอาหาระอติและอวิกตะมีสามวาระละ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 ละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากาสีในะเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียะสหาชาตะนิสยาวิปากะอาหาระอัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในะเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย8 คืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญานิสัยวิปากะอาหารัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญานิสัยวิปากะอาหาระสัมยุตติและอวิกตะะมีหนึ่งวาระ ละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8ปคืออินทริยสหาชาัชตาณิสยาวิปากะอาหาระวิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือ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 ในเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทรียอธิปติสหชาตะนิสยาอาหารอธิและอวิกะตะมีเจดวาระละนะอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระนวะิปยุตตาปัจจัยกับละ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 กับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะอธิปติสหาชาตะนิสยะอาหาระวิปยุตตะอธิและวิกตะมีสามวาระละนโนวิกตะปัจจัยกับละมีสามวาระในบงเล็บอวิปากสาม ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8ดคืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิสัยวิปากะอาหาระอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย10บคืออินทรียอธิปติสหชาตะอัญญามนยะ นิสยวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาะเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยอธิปติสหชาตะนิสยวิปากะอาหาระวิปยุตตะอธิและอวิกตะะมีหนึ่งวาระละ โนวิกะตะปั จ, จัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากษามาธิปฏิมักคตนาหกร้อยสในเหตุุปัจจกับปัจจเจคืออินทริยะอธิปฏิสหาชาตานิสยะมค ะ, ะอธิและวิกะตะมีเจดวาระละณนะัญญามัญญปัปปใ จ, จกับละมีสามวาระ นาอุปนิเตียปัจจัยกับละมีเจดวาระละนาะสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระนะวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีเจดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจดวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิตยะ มัคคสัมปยุตตาอัตติและอวิคัตะมีสามวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยอธิปติสหชาตะนิสยามัคควิปยุตตาอัตติและอวิคัตตมีสามวาระละ นวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ3นาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินตริยะอธิปติสหาชาตะนิสยัยวิปากะมักขะอธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย10คืออินตริยะ อธิปติสหาชาตานิยามัญญานิสยวิปากะมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกะตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียาอธิปติสหาชาตานิสยวิปากะมัคคะวิปยุตตาอัตติและวิกตะมีหนึ่งวาระละ โนวิกะตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากาัดสเหตุมขะขะตัคคคตา6กรอ่นาอารมณะปัจจัยกับปัจจัย 7. คืออินทรียะเหตุสหาชาตะนิสยมัคคะอติและวิกะตามีสวาระละณาอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีสองวาระ นปะนิสสิยปัจจัยกับละมีสี่วาระลนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสี่วาระนัอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียเหตุสหชาตะ อัญญามัญญานิตยมัคคะอัตถิและอวิกะตะมีสองวาระนัตนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระโนวิกตะปัจจัยกับละมีสองวาระนัอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยะเหตุ สหชาตะอัญญมัญญะนิตยมัคคะสัมปยุตตาอัตถิและอวิกะตตมีสองวาระละโนวิกะตตปัจจัยกับละมีสองวาระณ า, ารามณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยเหตุสหชาตะนิตยมัคคะวิปยุตตาอัตถิและอวิกะตะ มีสองวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บอวิปากาสีนณอารัมะนปัจจัยกับปัจจัป8คืออินทริยเหตุสหาชาตะนิสยาวิปากะมัคคอติและอวิกะตามีหนึ่งวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะเหตุสหัชชะตาอัญญามัญญานิตยาวิปากะมัคคะอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับปัจจัย10บคืออินทรียะเหตุสหัชชะตาอัญญมัญญ า, น, านิตย์ วิปากะมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณนะอารรมณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินตรียะเหตุสหชาตะนิสยาวิปากะมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตตะปัจจัยกับละ มีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับปัจจัย10บคืออินทริยะเหตุสหาชาติอัญญามัญญะนิตยะวิปากะมัคควิปยุตตาอติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สเหตาเิปฏิมัคคคตนาหกร นาอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยเหตุอธิปติสหาชาตะนิตยามัคคอติและวิกะตะมีสี่วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระนาสมานัานตรปัจจัยกับละมีสี่วาระนาอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสองวาระนาอุปนิเตียปัจจัยกับละมีสี่วาระ นปุเรชาตปัจจัยกับละมีสีวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสีวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสีวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสีวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสีวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสีวาระนาชานปัจจัยกับละมีสีวาระ นัสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสองวาระนะวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิกะตปัจจัยกับละมีสี่วาระนะัอารมามณปัจจัยกับปัจจัยสิบคืออินทริยะเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิตยามัคค ะ, ะสัมปยุตตะ อธิและอวิกะตะมีสองวาระนะอนันตรปัจจัยกับละมีสองวาระนสมานันตะรปัจจัยกับละมีสองวาระนะอุปนิสติยปัจจัยกับละมีสองวารนะนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสองวาระนะ ata, ปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสองวาระ นกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสองวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสวาระนัาหปัจจัยกับละมีสองวาระนชาญปัจจัยกับลมีสองวาระนวิปยุทธกปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระ นอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะเหตุอธิปติสหาชาตะนิตยามัคคะวิปยุตตอัติและอวิคตะมีสองวาระนะอนันตรปัจจัยกับละมีสองวาระนัสมานันตรปัจจัยกับละมีสองวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีสองวาระนะ นอุปนิสตยปัจจัยกับละมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสองวาระนอาเสวะนปัจจัยกับละมีสองวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสองวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสองวาระ นัชานปัจจัยกับละมีสองวาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระโนวิกะตะปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บอวิปากะสานัอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียเหตุอธิปติสหชาตะนิสยวิปากะ มคคะอติไดอะวิกตะมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมาันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ น้อาเสว่าน้าปัดใจกับละมีหนึ่งวาระน้กรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้อาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้าชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้สัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้วิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอารามณปัจจัยกับปัจจัย11คืออินทริยเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิจียวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาะอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะัสมานันตรรภัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะ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 โนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะัอารามณปัจจัยกับปัจใจสิบคืออินทรียะเหตุอธิปติสหาชาตะนิยะวิปากะมัคคะวิปยุตตาอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนะัอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัสสานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปนิสติยปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัอาหา <contrario. S 3> รปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากษาอินตริยมูลกนัยจบชาณทุกกนัย หกรในเหตุปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนอารามณปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนาทิปติปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนอนันตระปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนาสมนันตระปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนอัญญามัญญาปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสามวาระ นาณิสต who ิยปัจจัยกับอันกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระนปบณิสติยปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอาเสวะนปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจดวาระนากรรมปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระ นวิปากับปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนอาหารปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนอินทรียปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนมัคคปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับชานัปัจจัยมีเจดวาระโนวิกะตะปัจจัยกับชานัปัจจัยมีเจดวาระชาณ ส, สามัญญคัตนาหกรในเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือชานะสหชาตะนิตยาอติและวิกะตตมีเจดวาระละนะัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอุปนิสติยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนาะสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือชาณะสหชาตอัญมณญาณิสติยะอัตถิและวิกตะ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 มีสามวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือชานะสหชาตะนิตยาวิปยุตตาอัติและอวิกะตะมีสามวาระละโนวิกะตาปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีในเหตุปัจจัย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 มีหนึ่งวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิจจยวิปากะวิปยุตตาอัธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมือเล็บสวิปากะห สัอินทริยคัตนาหกรในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือชานะสหาชาตะนิจญยอินตริยะอตติและวิกะตะมีเจดวาระละนะอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนะอุปนิจยาปัจจัยกับละมีเจดวาระละนะสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจดวาระนาะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคือชานะสหชาตะอัญญามัญญานิจยญอินทรียาอธิและอวิกตะมีสามวาระละนาะสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกะตะปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญามัญญานิตย์ญาอินตรียสัมปยุตตาอัตติและอวิกะตะมีสามวาระละ นวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิจญาอินตรียวิปยุตตาอัตติและอวิกตามีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีในเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือชานะ สหาชาตะนิสยวิปากะอินตริยะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือชานะสหาชาตะอัญญมัญญะนิจยวิปากะอินตริยะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละ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 ชานะสหชาตะนิสยวิปากะอินตรียวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือชานะสหชาตาอัญยมัญญานิสยวิปากะอินทรียวิปยุตตาอธิและอวิกาตะ มีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมืเล็บสวิปากะ5สมัคคัตนา609้อเในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือชานะสหชาตานิสยมัคคะอติและอวิกตะมีเจวาระละหนาอญญามัญญาปั จ, จัยกับละมีสามวาระ นปณิตยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิป tamam ัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคือชานะสหชาติอัญญมัญญานิตยามัคคะอัตถิและอวิกตะมีสามวาระละ นสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนะัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวะิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือชานะสหชาติอนยามัญญานิสยียมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิกตะมีสามวาระละ นวิกตปัจจัยกับล ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะมีสามวาระในเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิสยามะคะวิปยุตตะอัตติและอวิกตามีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในมือเล็บอวิปากสีในเหตุตุปัจจั ย, ยกับปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิสยา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 วิปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิสียวิปากะมักะวิปยุตตาอัตถิและวิกตตมีหนึ่งวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ในมงนเดบสวิปากะหสอินทริยมคัตนาหกพนสในเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือชานะสหชาตานิสยียอินทริยมคะอติละวิกตะมีเจ็ดวาระละณนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระเนาะปนิสยียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละ นัตสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจดวาระนาะเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิสยาอินทรียะมัคคะอติและอวิกตะมีสามวาระละนะัตสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระนโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระนโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตย์อินตรียมัคคะสัมปยุตตาอติและวิกตะมีสามวาระละ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 นิตยาวิปากาอินตรียมัคคะอตถีและอวิคตะมีหนึ่งวาระละนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในะเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากาอินตรียมัคคะอตถีและอวิคตะมีหนึ่งวาระละ